ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันานาพระอมราทิรติตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรจนาต่อไปจะเป็นการแสดงในเรื่องของสัตตหาการิศจะแสดงในสัตตหาการิศยามีอายุการเพียงเจ็ดวัน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 แห่งสัตว์ที่มีเนื้อควรเนื้อที่เป็นกับพิยะเนี่ยชื่อว่าขีรังขี่รังก็หมายถึงนมตดน้ํานมนั้นทิ้งไว้นานจนเปรี้ยวชื่อว่าดาัททิดัททิดก็หมายถึงนมส้มสมัยนี้ก็มีกรรมวิธีก็ใส่สานะอะไรลงไปก็ทําให้นมนั้นประโยชน์นมส้มนั้นเขาเจียวขึ้นชื่อว่าตักกังตักกังก็หมายถึงเปรียงเปลียงนั้นเขาเจียวขึ้นชื่อว่านวะมีตังก็แปลว่าเนยวข้น เนยค้นนั้นเขาก็เจียวขึ้นอีกก็ชื่อว่าสับ ป, ปิก็คือเนอยใสเป็นหัวหรือว่าเป็นยอดของผลิตภัณฑ์โคนเนยใสเนี่ยนมสดนมส้มเปรียงเป็นยาวากาลิกก็คือเป็นอาหารนมิตรควรแต่ในเวลาเช้าส่ว น, น, นเนยค้นเนยใสเป็นสัปตหาหักาลิกมีอายุเจ็ดวันนะเนยทั้งสองนี้ในสยามประเทศ ก็คือในประเทศไทยมีน้อยที่ใช้ใช้น้อยไม่ค่อยนิยมกันเพราะเหตุนั้นจักไม่วินิจฉัยพิสดาลจักวินิจฉัยแต่งยาสามสิ่งนอกนั้นพวกอะไรน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยในใสายกับในข้นรับประเคินในเช้าควรฉันกับอามิตรได้ในเช้าบ่ายแล้วไม่ควรฉันปรัสจากอามิตรได้เจ็ดวันถ้าล่วงเจ็ดวันไปก็เป็นนิสกี นับตามวัตถุและภาชนะที่เก็บไว้น้ำมันเกิดแต่งาเกิดแต่พันธประกาศเมล็ดพันธประกาศมะซางละหูงและเกิดแต่เปลวสัตว์เหล่านี้มาแต่บาลีเมล็ดงาเมล็ดมะซางเมล็ดละหูงมันเหลวเป็นยาวะคาริสพวกเมล็ดงาพวกมะซางละหูงอะไรพวกนี้นะมันเหลวก็เป็นยาวะคาริสเป็นอาหารเมล็ดนอกนั้นเป็นยาวะชีวิต จากว่าในน้ำมันงาตอนน้ำมันงารับประเคตในตอนเช้าแม้ฉันกับอามิต์ในเช้าวันนั้นก็ควรแต่บ่ายไปฉันปรับจากอามิต์อย่างเดียวจึงควรแต่ไปฉันกับอามิ t h ด้วยจะต้องอาบัตวิกาและโภชนาด้วยล่วงเจ็ดวันไปเป็นนิสตกคีนับตามภานชนะที่เก็บไว้น้ำมันงารับประเคตในปัจฉามั หรือเวลาบ่ายควรฉันปราบจากอมิตรอย่างเดียวได้เจ็ดวันทำให้เป็นอุกหิตก็คือไปจับต้องก่อนที่เขาจะประเคนเนี่ยแล้วเก็บไว้จะกลืนกินไม่ควรพึ่งน้อมเข้าไปในกิจอื่นเป็นต้นว่าทาตีสักแม้ล่วงเจ็วันไปก็ไม่เป็นอาบัับเพราะว่าไม่ได้เอาไว้ฉันรับประเคนงาในปุริพัทก็คือในตอนเช้าแล้วทาเป็นน้ามัน ควรฉันได้แม้กับอามิ t h ในปุเรพัทเท่านั้นแต่ประชามพัทไปก็คือหลังเที่ยงไปเป็นของไม่ควรจะกลืนกินแล้วนะเพราะว่ารับทั้งวัตถุกระเพร่งานในปุเรพัทก็ไปทำเป็นน้ํามันพึงน้องเข้าไปในกิจเป็นต้นว่าทาศีสะเพราะว่าหลังเที่ยงไปนี้ไม่ควรนามาฉันแล้วแม้จะปราศจากอามิต h แม้ล่วงเจยดวันไปก็ไม่เป็นอบัตเพราะว่าไม่ได้ไว้ฉันแล้ว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 น้ำมันซึ่งคั้วมเมล็ดงาหรือนึ่งแป้งงาซึ่งรับประเคนในปุเรพัชหรือให้ชุ่มด้วยน้ำร้อนกระทำก็ดีถ้าอนุสัมบันญทำไปควรฉันแม้กับอมิตรในปุเรพัชก่อนเที่ยงเงาฉันได้กับอมิตรถ้าตนเองทาควรฉันรากจากอามิตรอย่างเดียวในปุเรพัชเท่านั้นเพราะว่าทิพตุ ป, ปลอดเองฉันกับอมิตรไม่ควร ก็ราะเหตุให้ตุกเองด้วยนะแต่ในปัชชาพัดไปน้ำมันทั้งสองอย่างนั้นไม่ควรจะคลืนกินเลยเพราะว่ารับทำวัตถุพึงน้อมเข้าไปในกิจเป็นต้นว่าทาศีสัตว์ในร่วงเจดวันไปก็ไม่เป็นอบัติถ้าไม่ได้จางใจไว้ฉาดร่วงเจ็ดวันก็ไม่มีอบดับผิดแลว่าน้ําร้อนน้อยเป็นศัต์แต่ว่าพรมลงเท่านั้นย่อมเป็นอภูหาริกไม่ถึงซึ่งอันนับว่าเป็นสามมาพตะ แม้ในน้ำมันพันธกาศเป็นต้นที่รับทั้งวัตถุก็ไม่ได้ใชเหมือนเปล่าแล้วในน้ำมันงาที่ไม่ได้รับทั้งวัตถุแต่ถ้าว่าอาจจะเอาจุลแห่งพันธกาษเป็นต้นซึ่งรับประเค้นแล้วในปุเรพัฒมาทำเป็นน้ามันด้วยให้ตกด้วยแสงอาทิตย์ใหุ้กด้วยแสงอาทิตย์น้ามันนั้นควรฉันแม้กับอมิตรได้ในปุเรพัฒแต่ประชารัฒไป ควรฉันปราบจากอมิตรอย่างเดียวแม้ล่วงเจ็ดวันไปก็คงเป็นนิสกิยาปัจจตีเพราะว่าเอาว้ฉันเกินเจ็ดวันก็ต้องอาบัดเขาหนึ่งจุนพันธกาศและมะสารเป็นต้นและขั้วเมล็ดระุงทําเป็นน้ํามันก็อย่างนั้นเพราะเหตุนั้นน้ํามันแห่งของเหล่านี้อนุสบัญช์ทำควรฉันแม้กับอมิตรได้ในปุเรพัสแต่จะเป็นโทษเพราะรับทั้งวัตถุ ก, ก็หาไม่ข้านุสบัญช์ธรรมนี้ไม่มีปัญหา เ ะ, ะเมล็ดพันธุกาศเป็นต้นเป็นยาวะชีวิตด้วยมเมล็ดพันธุกาศเป็นยาวชีวิตนะตนเองทําถ้าตนทําเองนะพึงบริโภคปราจากอมิสอย่างเดียวน้ํามันซึ่งทําด้วยมเมล็ดพันธ์ผกาดเป็นต้นซึ่งเป็นอุกาหิตก็ไม่ควรจะกลือนกินคนบริโภคในภายนอกในล่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นอาบัต์รับประเคินเมล็ดพันธ์กาดมะซางละหุงเพื่อจะทําเป็นน้ํามันแล้ว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 ไม่เป็นนิธิคีนะเพราะว่ามันหมดอายุแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้เอาไว้บริโภคด้วยเพราะฉั้นก็ไว้ใช้ภายนอกถ้าแม้ไม่ทําเมล็ดพันธุ์กาศเป็นต้นที่รับไว้เพื่อทําเป็นน้ํามันนั้นล่วงเจ็ดวันไปก็เป็นทุกข์ปดแท้ไม่ทาเมล็ดพันประกาศที่รับไว้เพื่อทําเป็นน้ํามันก็ล่วงเจ็ดวันไปก็เป็นทุกข์ดแต่น้ํามันแห่งมะพร้าวและตะเดาตะเคราะห์และเกี๊ยวสำโรงเป็นต้นอืนอ่น ซึ่งไม่มาในบาลีรับประเคนไว้ให้เกินเจ็ดวันเป็นทุกกฎนี่แลเป็นความแปลกกันในน้ำมันหลักนั้นพึงกำหนดน้ำมันนอกนั้นมีวัตถุเป็นยาวะกาลิกและมีวัตถุเป็นยาวชีวิตแล้วพึงรู้โดยวิธีทั้งปวงคือสามารถประกาศหมายึงทำให้สุขเองรับทั้งวัตถุรับในเช้าและบ่ายและมีวัตถุเป็นอุขหิตโดยในดังกล่าวแล้วเธอ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 ด้วยถือเอาปลาเป็นต้นขึ้นกล่าวมันเหลวแห่งสัตว์ที่มีเนื้อเป็นอัตติยะทั้ ง, งปวงบชือว่าทรงอนุญาตด้วยด้วยว่าในเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนื้อแห่งมนุษย์แช้งมา้าตุนักงูดัชนีสีเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสิ์นี้เป็นอัตกกติยะส่วนในมันเปรวเปรวแห่งมนุษย์อย่างเดียวเป็นอัตติยะ แต่ว่าเปลวของสัตว์เหล่านั้นก็ยังใช้ได้อยู่เปลวชา้างเปลวมา้าเปลวตุนักงูแรงต่างยกเว้นเปลวมนุษย์เท่านั้นเองไม่นุยา่าส่วนในนมสดเป็นต้นสิ่งซึ่งเป็นอักับยะไม่มีนมสดของสัตว์ชนิดไหนชนิดไหนแม้กระทั่งนมสดของมนุษย์ก็ใช้ได้กันได้น้ำมันแห่งเปลวที่อนุสัมพันธ์ทำและกลองรับประทานในตอนเช้า ควรฉันแม้กับอมิตรในเช้าได้แต่บ่ายแล้วไปควรฉันปราบจากอมิตรอย่างเดียวได้เจ็ดวันก็แต่เนื้อหรือเอ็นหรือกระดูกเลือดอันใดที่ละเอียดดั่งผงอันละเอียดมีในน้ำมันนั้นของเหล่านั้นเป็นอภ ร, ริศไม่เป็นการกล่าวอ้างว่าจะมีอบัติถ้าแลรับประเคษมันเปลวทําเองไซระและเขียวและกรองในเชา้าพึงบริโภคปราจากอมิตรเจ็ดวัน ข้อซึ่งพระองค์ทรงอนุญาตให้รับมันเปลวในการเชียวในการกา ร, รองในการบริโภคน้ำมันนั้นอาศัยบริโภคราจากอมิตแม้ในน้ำมันนั้นเนื้อเป็นต้นที่ละเอียดก็เป็นอโภโวหาริกแท้แต่จะรับหรือว่าเชียวในปัตชภัตไม่ควรเลยด้วยทรงห้าไมไว้ว่าถ้ารับมันเปลวในวิการเชียวในวิการกา ร, รองในวิการบริโภคใช้ต้องทุกกดสามตัว ถ้ารับในเช้าเจียวในบ่ายกรองในบ่ายบริโภคใส่ต้องอาบัดทุกกฏสองตัวถ้ารับในเช้าเจียวในเช้าแต่ว่ากรองในบ่ายบริโภคใส่ต้องอาบัดทุกกฏหนึ่งตัวถ้ารับและเจียวและกรองในการบริโภคไม่เป็นอาบัิในไสในข้นมันเปลวปนกันเจียวกรองด้วยกันมีเดกล้าข่มโรคได้ควรอยู่ แม้น้ำมันหมีและตุกรแทรกลงในข้าวต้มที่เจือด้วยรากไม้ห้าอย่างและน้ำฝาดฉันมีเดชกล้าข่มโรคลมได้เหมือนกันก็ควรต่อไปจะว่าในเรื่องของน้ำผึ้งน้ำผึ้งที่ผึ้งเล็กและผึ้งใหญ่ทาชื่อว่ามะทุมตทุก็หมายถึงน้ำผึ้งน้ำหวานน้ำผึ้งนั้นรับประเทนในเชา้าควรฉันกับอมิตรได้ในเชา้า แต่บายไปแล้วควรฉันตัดจากอมิตรได้เจ็ดวันลวงเจ็ดวันไปถ้าเป็นน้ําผึ้งใหญ่เหนียวดังยางไม้ทําเป็นก้อนๆตั้งไว้หรือว่าน้ําผึ้งเหลวตั้งอยู่ในภาชนะต่างๆเป็นนิจตะทีนับตามวัตถุถ้าเป็นก้อนเดียวเท่านั้นหรือว่าเหลวอยู่ในภาชนะอันเดียวก็เป็นนิจตะทีตัวเดียวเท่านั้นน้ําผึ้งเป็นอุกหิตพึงรู้เดนายดังกล่าวแล้วนั้นแหลคือไม่พึงน้อมมาฉันไม่พึงอามาฉันแต่ว่าน้อมเป็นกิจ มีตาลทาแผลเป็นต้นพึ่งน้อมไปในกิจมีการทาแผลเป็นต้นนี้เป็นอุกขิตแต่ถ้าเป็นนิสสกีนี่เอามาใช้ภายในกายไม่ได้รวงพึ่งหรือว่าขี้พึ่งถ้าไม่เปื้อนน้ำพึ่งบริสุทธิ์อยู่เป็นยาวะชีวิตเป็นยาเลยแต่ถ้าเปื้อนน้ำพึ่งก็งมีคติแห่งน้ําพึ่งแท้จ7วันพึ่งยาวมีปีกอย่างหนึ่งชื่อว่าขีริกะมแมลงผู้ใหญ่สีดาอย่างหนึ่งมีกระดูกเป็นปีก ชื่อว่าตุมพละในที่อยู่แห่งสัตว์เหล่านั้นมีน้ําผึ้งเหนียวดังยางไม้น้ํำผึ้งนั้นเป็นยาวชีวิตเป็นยาจะว่าในฐานิษฐานิษฐก็คือน้ําอ้อยเลยนะผานิษฐ์เกิดแต่อ้อยตั้งแต่น้ําอ้อยสดไปจะดิบหรือว่าสุกไม่ปนด้วยกาน้ําอ้อยเขาทําวิเศษทั้งปวงไม่ปนด้วยกาเพิงรู้ว่าเป็นฐานิษฐเถิด น้ำอ้อยรับตะเคนในเช้าควรฉันแม้กับอมิตรได้ในเช้าแต่บ่ายแล้วไปควรฉันปราศจากอมิตรได้ปราศจากอมิตรอย่างเดียวได้เจ็ดวันล่วงเจ็ดวันไปก็เป็นนิสตคีนับตามวัตถุก้อนน้ำอ้อยแม้มากเขาปน ล, ละเอียดเอาไว้ในภาชนะอันเดียวแน่นเรื่องอันเดียวกันเป็นนิสตคีตัวเดียวเท่านั้นน้ำอ้อยที่เป็นอุกหิตก็มีในดังกล่าวแล้วนั่นแหละึงน้อมไปในกิจเป็นต้นว่าอบคุดี น้ำอ้อยงบทำด้วยอ้อยยังไม่ได้กรองรับประเคนในเช้าถ้าอนุสัมบัญทำควรฉันแม้กับอมิตรได้ถ้าทำเองควรฉันจากจากอามิตรอย่างเดียวแต่บ่ายแล้วไปเป็นของไม่ควรจะกลืนกินเพราะว่ารับทั้งวัตถุแม้ร่วงเกจวันตายก็ไม่เป็นอับััิน้ำอ้อยงบที่เขาทำด้วยอ้อยสดที่ยังไม่ได้กรองรับประเคนในบ่ายเป็นของไม่ควรกลืนกินเลยเพราะว่ารับทั้งวัตถุ แม้ล่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นอาบัตแม้ในผานิตรับลำอ้อยมาทําก็เหมือนกันอย่างนั้นผานิตรที่ทําด้วยน้ําอ้อยสดกรองแล้วรับระเคีนในเช้าถ้าอนุสัมบันธรรมควรฉันกับอมิตรได้ในเช้าแต่บ่ายแล้วไปควรฉันปราบจากอมิตรได้เจ็ดวันทําเองแม้ในเช้าควรฉันปราบจากอมิตรอย่างเดียว แต่บายแล้วไปก็ควรฉันกรดจากอมิตรอย่างเดียวได้เจ็ดวันอันนี้หมายถึงน้ำอ้อยที่เกรองแล้วไม่ได้รับทำว่ตถกแต่ฐานิษทําด้วยน้ำอ้อยสดที่กรองแล้วรับประเคินในบายควรฉันกระจากอมิตรอย่างเดียวได้เจ็ดวันฐานิษเป็นอุคหิตมีอย่างดังกล่าวแล้วนั่นแลในมหาอัตกถากล่าวว่าผานิษทาด้วยอ้อยเผาหรือว่าด้วยอ้อยขั่วไฟต้ม ควรในเช้าอย่างเดียวแต่ในมหาปัญจรีถามว่าฐานิสตุทั้งวัตถุจะควรหรือไม่ควรแล้วกล่าวว่าฐานิสทำด้วยอ้อยชื่อว่าจะไม่ควรในบ่ายนั้นไม่มีดังนี้คำนั้นต็ชอบแล้วถูกแล้วฐานิสดอกมะสางทำด้วยน้ำเย็นควรฉันแม้กับอามิตรได้ในเช้า แต่บายแล้วไปควรฉันเปล่าจากอมิตรอย่างเดียวได้เจ็ดวันร่วงเจ็ดวันไปก็เป็นทุกกฎนับด้วยวัตถุแต่ผานิพดอกมาตางเขาเจือนมสดลงด้วยเป็นยาวะตาลิศก็เป็นอาหารไปแต่ขันทักรเขาเอานมสดออกเสียทําให้บริสุทธิ์เพราะเห็นนั้นขันทักรนั้นควรแต่ดอกมะตางสดและเขาคั่วแล้วตำเจื้อด้วยของอื่นหรือไม่เจื้อก็ตาม ควรแม้ในเช้าถ้าหากเขาถือเอาดอกมาต่างนั้นประกอบเพื่อเป็นเมรเขาประกอบแล้วแต่พืชไปไม่ควรผานิษฐ์แห่งผลไม้เป็นยาวะการิกทั้งปวงก็เป็นอาหารเป็นต้นว่ากล้วยผลอินทภาลัมมะม่วงสาเกขนุนแผ่นมะขามแผ่นเป็นยาวะการิกแถ้ก็เป็นอาหารคนทั้งหลายก็ทาผานิษด้วยพิกสุข ผานิสคือพริกแผ่นนั้นชื่อว่ายาวะชีวิตถ้าเอาพริกสุกนี้มาทำเป็นผานิสก็เป็นยาวะชีวิตเป็นยาได้อันหนึ่งน้ำตาลกรวดน้ําตาลทรายน้ําตาลหม้อน้ําตาลปึกสงเคราะห์เข้าในผานิสเท้งนั้นก็มีอายุได้เจ็ดวันเป็นสัปหะคาลิสยาห้าอย่างนี้รับประเคสแล้วไม่ให้ล่วงเจ็ดวันไปแม้เป็นไข้หรือไม่เป็นไข้ก็ตามพึงฉันตามสบายเถิด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 เนื้อดิบเลือดดิบนั้นควรแก่พิจุอาพาธเช่นนั้นอย่างเดียวไม่ควรแก่พิจุอื่นเนื้อเลือดนั้นเป็นกัปปิยะหรือว่าอากัปปิยะควรแก่พิจุอาพาธนั้นแท้ทั้งเช้าและบ่ายอันนี้ก็อนุญาตเฉพาะพยาธิจ้าถีสิ่งพิจุเนี่ยก็ฉันเลือดดิบเนื้อสดอะไรได้อนุญาตเฉพาะบุคคล น, นั้นดังอนุญาตอาหารที่เรออ้วกถึงลาคอแล้วก็กลับเข้าไปไม่เป็นอบัติแก่พิจูผู้มักเรออ้วก อนุญาตนั้นควรแต่ทิศผู้มักเรออ้วกพวกเดียวไม่ควรแต่ทิศอื่นแต่นําออกมาถึงนอกปากแล้วอย่า ก, กลับกืนเข้าไปถ้ากลืนเข้าไปก็ต้องอาบัติถ้าในเวลาวิการก็ต้องบัตถันอาห้รในเวลาวิการเลยส่วนอนุญาตเฉพาะการนั้นดังตรงอนุญาตยามหาวิกัดสีย่ยางก็คือมูดคูดเท่าดินเฉพาะในการทิศูงูกัดอย่างเดียวแม้ไม่ได้รับประเคนฉันก็ควร ในการอื่นนั้นไม่ควรอนุญาตเฉพาะสมัยนั้นก็ดังอนุญาตไม่เป็นอาบัติเพราะฉันคณะโภชนะในสมัยเป็นต้นว่าเป็นไข่ไม่เป็นอาบัตแต่ในสมัยเช่นนั้นอย่างเดียวในคราวอื่นก็เป็นอาบัติสามารถที่จะฉันอาหารที่เขานิมวลออกชื่อแล้วก็ฉันรวมกันสี่รูปครับประเอนรวมกันสี่รูปขึ้นไปที่นี้ได้แต่ถ้าไม่ใช่สมัยไม่มีสมัยเป็นไข่หรือว่าได้รับการกระถิ น, นเป็นชีวระท า, าชีวาการอะไรทั้นี้ก็ มีอบัติอนุญาตเฉพาะประเทศนั้นดังทรงอนุญาตอุปสมบทด้วยคณะสองอ์มีวินัยทรเป็นที่ห้าเป็นต้นในปัจจันต์ประเทศอย่างเดียวในมัชชิมะประเทศนั้นไม่ควรถ้าในมัชชิมะประเทศต้องพระพิสดุสิบตู้ขึ้นไปส่วนอนุญาตเฉพาะมันเตรวนั้นดังอนุญาตมันเตรวห้าให้เป็นยาด้วยชื่อแห่งมันเปลวมันเปลวนั้น รับกรองเชียวในการฉันได้แต่น้ํามันก็แลอนุ ญ, ญาตนั้นควรแกติสุผู้ต้องการด้วยมันเปลวเอามันเปลวแห่งสัตว์ที่มีเนื้อเป็นกัปปิยะหรือว่าอกัปปิยะทั้งปวงเว้นแต่มันเปลวแห่งมนุษย์นั้นอกนั้นมาทําเป็นน้ํามันฉันได้ทั้งนั้นอนุ ญ, ญาตเฉพาะยานั้นก็ดังเนยใสยเนยข้นน้ํามันน้ําผึ่งน้ําอ้อยแม้สําเร็จอาหารกิจได้ทรงอนุญาตด้วยชื่อว่าเป็นเพสั์ ยานั้นรับประเขนแล้วพึงฉันตามสบายในเช้าวันนั้นนักเช้าวันนั้นก็ฉันได้ตามสบายเลยแต่บลายแล้วเนี่ยเมื่อมีเหตุพึงฉันได้เจ็ดวันหลังจากเที่ยงนั้นไปแล้วนี่ก็ฉันได้เจ็ดวันแต่ว่ามีเหตุแต่ตอนเช้าไม่มีปัญหาฉันได้แต่น้ําอ้อยงบน้ําตาลกรวดน้ําตาลทรายน้ําตาลหม้อที่แข็งข้อนอยู่ถ้าเป็นไข่ก็เคี้ยวกินได้เลยถ้าไม่เป็นไข้ไม่ควรเคี้ยวกิน เพิ่งละลายน้ำฉันลายน้นฉันได้ด้วยตรงอนุญาตลยว่าอนุชานามิพิกเวกความรักทีลานัสสะคุลังอธิรานัสสะคุโลตะกังดังนี้ยาห้าอย่างนี้จะไม่ฉันจะเอาไว้บริโภคภายนอกเป็นต้นว่าทาตีตักและตามตะเกียงพึ่งอธิษฐานเสียว่าจะไว้บริโภคภายนอกในภายในเจ็ดวัน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 แม้เทน้ำมันที่ยังไม่ได้อดิษฐานลงในภาชนะน้ำมันที่อธิษฐานแล้วก็พึงรู้โดยในยนั้นเถอดก็คืออะไรอยู่ข้างบนก็เอาตาม น, นั้นอธิฐานหรือยังไม่อธิษฐานอันหนึ่งยาห้าสิ่งนี้รับประเคีนไว้ฉันไม่หมดพึงสนับเสียภายในเจ็ดวันถ้าเป็นของสองเจ้าของผู้หนึ่งรับประเคีนไว้ยังไม่ได้แบ่งกันร่วงเจ็ดวันไปไม่เป็นอบัติร่วมกันทั้งสองเพราะว่ายังไม่ได้แบ่งแต่จะอนมามะฉันไม่ควร ของนั้นก็เป็นอันล่วงไปเจ็ดวันเป็นในสกักขีไปแต่ว่าไม่มีอบัติเพราะว่ายัางไม่ได้เป็นของใครแม้ผู้รับประเคนบอกให้ผู้หนึ่งฉันผู้นั้นไม่ฉันล่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นอบัติด้วยกันทั้งสองเพราะผู้รับ ก, ก็สละเสร็จแล้วผู้หนึ่งนั้นก็ไม่ได้รับถ้ายังไม่ถึงเจ็ดวันแล้วก็สละแล้วเนี่ยพวกอนุสบานนาไปภายหลังนํามาถวายคืนอีกก็ฉันได้อีกได้เจ็ดวันท่านไม่สี่นาที่ก่อน สัตหะการิกังว่าจบต่อไปจะแสดงกาลิททั้งสี่กระวนกันโดยพบบระบาลีว่ายาวกาลิกเญติพิคเวยามากาลิกังตาทะโห ป, ปฏิขะหิตังเขาคำละสัตตาหาติกันเตนักัปติ ด, ดังนี้ความว่ายามากาลิสัตตาหตาลิกยาวะชีวิตสามอย่างนี้ จริงได้จริงหนึ่งรับประเค้นไว้ในวันนั้ rumor, นด้วยกันกับยาวะคตาลิกก็คืออาหารเอาสิ่งท <ic> ี anyway um Bal, ่เป็นสตตาตาริกยาวัชีวิกรับประเคนด้วยกันกับยาวะคตาริกย่อมควรในการไม่ควรในวิการในวิการไม่ควรเลยนะสัตตหาตาลิกยาวะชีวิกสองนี้จริงได้จริงหนึ่งรับประเค้นในวันนั้นด้วยกันกับยามะตาลิกต้องควรในยาม คือไประคนกับยามาการิกก็ควรแค่วันหนึ่งคือหนึ่งคือวันหนึ่งไปจนชั่วรุ่งร่วงยามไปคือถึงอรุณใหม่ไม่ควรยาวชีวิตรับประเค้นกับซาตาตาริกควรเจ็ดวันร่วงเจ็ดวันไปไม่ควรในอาตถาว่าคำทั้งปวงในบาลีนั้นอาศัยเอาการิกเหล่านั้นที่มีรถระคนกันกล่าวด้วยว่า ถ้าว่าน้ําอัฐบาลเจือกับผลมะพร้าวทั้งลูกไม่ได้เอาเปลือกออกเสียรับประเค้นด้วยกันแล้วนําเอามะพร้าวออกเสียอัฐบาลนั้นแม้ในวิการก็ควรถ้ายกทั้งหลายเขวางก้อนสับปิบนข้าวปายาต่เย็นถวายสับปิก็คือในใสใดที่ไม่ระคนด้วยข้าวปายาติสปินั้นจะนําเอาไว้ฉันในเจ็ดวันก็ควร แม้ในน้ำพึ่งที่เหนียวและน้ำอ้อยงบวางบนข้าวปลาย า, าต์ก็เหมือนกันเช่นนั้นถ้ายกเขาเอากระวานและผลแห่งจันทร์เป็นต้นประดับบิณฑบาตมาถวายพึงยกเอากระวานและผลแห่งจันทร์นั้นขึ้นล้างเสียไว้บริโภคตราบเท่าสิ้นชีพเถิดแม้เขาเอาขิงเป็นต้นปนกับข้าวต้มถวายและเอาชะเอมเป็นต้นประคนกับน้ำมันถวายก็เหมือนกันอย่างนั้น กาลิกใดๆมีรถไม่ระคนคนกันการลิกนั้นๆแม้รับประเคีด้วยกันาการบริสุทธิ์อย่างใดล้างด้วยปอกเสียกอย่างนั้นแล้วและบริโภคตามการแห่งการลิกนั้นๆก็ควรถ้าแลมีรถอันเจือระคนกันไซไม่ควรด้วยว่ายาว่กาลิกย่อมชักกาลิกทั้งสามเป็นต้นว่ายามากาลิกซึ่งมีรถเจือกันกันกบตนเข้าสู่สภาพความเป็นเองของตน เหรืออายุสั้นเพียงวันเดียวเพียงชั่วเทียมเท่านั้นยาว่าการิสแม้ยามะการิส ก, ก็ย่อมชักการิสทั้งสองเป็นต้นว่าสาาาัตาการิส ก, กับยาวัชีวิคนั่นแหละเข้าสู่สภาพความเป็นเองแห่งตนก็คือเหลือแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นแม้สัตหการิสย่อมชักยาวะชีวิตที่ระคนกับตนเข้าสู่สภาพความเป็นเองแห่งตนแท้ก็คือเหลือเพียงเจ็ดวันเพราะฉะนั้นถ้าการิคระคนกันก็ถือเอาตามอายุสั้น อายุของการฤทิกที่สั้นท like well, yani ี่สุดเพราะเหตุนั้นยาวชีว JA. ิตรับประเคณในวันนั้นหรือว่ารับประเคณในวันตอนรัคนกับสัตตหการฤิษที่รับประเคณในวันนั้นย่อมควรในเจ็ดวันยาวชีวิตนั้นระคนกับสัตหการฤิ์ที่รับประเคณแล้วสองวันก็ย่อมควรในหกวันรักคนกับสัตหการฤิ์ที่รับประเคณในสาวันเก็ย่อมควรในห้าวันรักคนกับสัตหการฤิ์ที่รับประเคณแล้วเจ็ดวัน พึงรู้ว่าควรในวันนั้นวันเดียวเถิดเพราะเหตุนั้นแท้ในบาลีจึงไม่กล่าวว่ายาวาชีวิตรับประเค้นในวันนั้นด้วยกันกับสัตตากาลิกและกล่าวแต่เพียงว่ารับประเค้นกับด้วยกัตตากาลิกจ้องควรในเจ็ดวันเท่านั้นก็แลครั้นกาลิกนั้ น, น, นล่วงการและยามและเจ็ดวันไปพึงรู้ว่าเป็นอาบัตโดยวิการละโภชนะสิขาบทถ้าเกิดไปฉันตอน เลยเที่ยงไปแล้วนะก็เป็นอบัตในวิการะโภชนะถ้าเกิดเก็บปะสมเอาไว้ด้วยเฉพาะสองอย่างก็คือยาวาคาลิกกับยามาคาลิกถ้าเก็บปะสมเอาไว้ฉั น, นวรุ่งขึ้นก็เป็นฉันนิธิการตกาติขาบทอบัตปาริจิตีแต่ว่าถ้าเป็นสัตหากาลิสกับยาวชีวิตอันนี้เก็บเอาไว้ไม่เป็นฉันนิธิก็แลในกาลิสทั้งสี่นี้ยาวาคาลิกกับยามาคาลิกสองนี้ เป็นอันโตวุฒะได้ด้วยเป็นสันนิธิได้ด้วยคือถ้าเก็บในอาตภิยะกูดีก็เป็นอันโตวุฒะถ้าเก็บครั้งคืนเอาไว้รุ่งขึ้นอามาฉันก็เป็นสันนิธิแต่สัตสหาการิกกับยาวะชีวิศแม้จะเก็บไว้ในอาตภิยะกูดีก็ควรไม่ให้เกิดสันนิธิได้ด้วยก็คือไม่เป็นสันนิธิกาลิกะสังสักคะกถาก็จบเรื่องของการิศระควรกัน อันนี้ก็สมควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาในอุปนิสัยปัจจัยในการที่จะรู้แจ้งอริยสั <is> จธรรมเพราะว่าผู้ที่มีการตั้งใจฟังก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยแล้วก็ขอให้มีอุปนิสัยในการบรรลุมรรคผลโดยการอบรมไตรสิตขาให้เจริญเก้าหน้ายิ่งขึ้นก็ขอให้ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมโดทั่วกันเถินสาธุสาธุสาธุ